เรื่องนั่งร้านสามเรื่องสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันผูกนั่งร้านทำการก่อสร้างภิกษุรูปหนึ่งบอกอีกรูปหนึ่งว่าท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุนั้นจึงยืนผูกที่นั้นได้พลัดตกลงมาถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูล รับผู้มีประพาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จกฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่25สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันผูกนั่งร้านทำการขอส้างภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จกฆ่า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 เรื่องที่27